ตั้งคำถามอ้าวแล้วท่านละชาติละกิเลสอ่อกว่าชาติสิ้นแล้วเนี่ยหมายถึงชาติไหนชาติไหนมันยังไม่เกิดอ่ะไปละมันทําไมมันสิ้นหมดที่ไหนะละปัจจุบันอ้าวปัจจุบันนี้มันก็เกิดมาแล้วแล้วมันก็จะแก่จะตายต่อไปอีกอะนะเขาบอกว่ายังไงก็คิดไม่ถูก <laughs> คือปกติเนี่ยนะเอาถ้าถ้าตั้งคำถามใหม่ชาติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยมาจากกรรมใช่ไหมกรรมมาพบอบะมาจากกรรมเป็นปัจจัยกรรมมาจากไหนมาจากกิเลสกิเลสมาจากไหนอันนะก็คือเวทนานะเวทนาก็มาจากภัสส พอกิเลสดับกรรมก็ดับพอกรรมดับชาติก็ก็ดับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าชาติของท่านสิ้นแล้วเนี่ยนะคือถ้าบอกกิเลสที่เป็นเหตุให้กรรมนำเกิดมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นชาติอันนั้นเลยเรียกว่าสิ้นแล้วเนี่ยนะคือปัจจัยหรือเชื้อที่จะให้กรรมนำเกิดเนี่ยนะกรรมถึงมีอยู่แต่ก็จกไม่นำเกิดเพราะเชื้อที่จะนาเกิดนี้ หมดละทีนี้ถ้าถามว่าอะไรกิเลส ท, ที่ท่านละเนี่ยละกิเลสชนิดไหนอีกก็ชนิดนี้ไงไอ้กิเลส ท, ที่ท่านละนะถ้าละกิเลสอดีตอ้าวเคยชอบเคยชังเคยกเกลียดมาแล้วอ่ะไปละมันทำไมอนาคตมันยังไม่ทันเกิดเลยปัจจุบันละ่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรเนี่ยเพราะขณะที่ท่านเจริญสมถะพิปัสนาขณะที่เจริญมัช ก, กิเลสไม่เกิดแต่กิเลส ท, ที่ท่านละหมายถึงอย่างนี้ คือถ้าพูดแบบาชักกระสูตเนี่ยนะจะเห็นชัดอีกอย่างหนึ่งปกติเวลากิเลสจะเกิดเนี่ยจะต้องได้วัตถุนะวัตถุหรือทวานวัตถุก็มีรวมๆนะหกใช่ไหมสองได้อารมณ์เ อ, อารมณ์กับวัตถุก่อให้เกิดวิญญาณหกเ่ยนะ วิญญาณหกอันนี้แหละก่อให้เกิดภาษาหกภาษาหกก็ก่อให้เกิดเวทนาหกเวทนาหกก็ก่อให้เกิดตัณหาหกเนไหมทีนี้เวทนาเกิดเนี่ยกิเลส ต, ต้องเกิดทุกครั้งไหมนะถ้าเวทนามีอย่างนี้แล้วกิเลส ต, ต้องเกิดทุกครั้งไหม ไม่จำเป็นต้องทุกครั้งเพราะพอเวทนาเกิดบางท่านกุศลเกิดกุศลอันนี้เป็นไปกับศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาอ บ, บรมจนอริยมรรคเกิดพออริยมรรคเกิดอย่างนี้แล้วนะถึงอ่ะนะาหารเนี่ยท่านท่านยังมีอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมมี พระอรหันต์ก็ยังมีจักสุใช่ไหมก็ยังเห็นรูปมีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนาแต่ชาวนะของท่านเนื่องจากเจริญกุศลจนอริยมรรคเกิดเป็นอุปนิสัยแก่กิริยาเพราะฉะนั้นพอเวทนาเกิดมหากิริยาของพระอรหันต์ก็เกิดแทนเนี่ยนะคือตัดแล้วตัดช่องที่จะให้กิเลสเกิดทันวิธีตั้งคำถามว่าถ้ากิเลสมันจะเกิดมันจะเกิดที่ไหน ก็บอกว่ามันเกิดที่ทวารหกนั่นแหละถ้าจะกิเลสจะอาศัยเกิดนะอาศัยที่ทวารหกอาศัยที่อารมณ์หกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกเนี่ยนะปิยรูปสาตรูปมันจะเกิดในสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาทำปริญญาสเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าทำปริญญาสามเสร็จแล้วเนี่ยนะกิเลสก็ไม่ได้เชื้อที่จะเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไอการทำปริญญาเนี่ยจึงเป็นกิจที่ควรทาด้วยความ พยายามข้อปฏิบัติในาศาสนาจึงไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสมันเกิดแล้วจะได้กําหนดรู้กิเลสนะไอ้นนอที่บอกว่ากิเลสมันเกิดแล้วไอ้อเขาพูดแล้วค่อยแก้เออนั้นค่อยว่าอีกทีแต่ไม่ใช่ว่ากิเลสมันยังไม่ทันเกิดไปหาช่องให้กิเลสมันเกิดก่อนแล้วจะได้ละมันอันนี้ไม่ไม่ต้องอะ่ะไม่มีในคําสอน ก, ก็อยู่ในข้อปฏิบัติระหว่างนี้นะคือพอได้วัตถุอารมณ์วิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะพอเกิดขึ้นให้กุศลเกิดกุศลนั้นเป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้แหละเรียกว่าพรหมจรรย์เ น, นี่ยนะพรหมจรรย์ น, นี้มาจากคําว่ า, าศาสน า, สาศาสนาพรหมจรรย์ เนี่ยนะที่เกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มาสอนสอนสิ่งเหล่านี้ที่มันตรงกันข้ามกับกับกิเลสพอเจริญกุศลเหล่านี้จนถึงอริยมรรคเกิดต่อไปก็ตัดเชื้อที่กิเลสจะเกิดเพราะฉะนั้นละกิเลสก็คือกิเลส ท, ที่จะได้อุปนิสัยแล้วเกิดเนี่ยนะสี่ประการอย่างที่กล่าวไปก็จะละกิเลสชนิดนั้นออกไป็ออหนนนเปุนนส อนุสัยนี่นะมันก็คือที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าอนุสัยเป็นจิตตะสัมปยุทธ์เนี่ยนะสามรมณะเนี่ยนะนะยนะก็ก็ตามสูตรอันนั้นอนะ่ะมันตั้งคำถามว่าอนุสัยมันอยู่ตรงไหนพอความหมายว่ายังละไม่ได้แต่เอางี้นะถ้าอาริยมรรคไม่เกิดอันนี้จะเกิดไหม เกิดเพราะฉะนั้นอรายาิยมรรคจึงสำคัญเหลือเกินถ้ามรรคไม่เกิดอันนี้ต้องเกิดแน่นอนแต่เวลาพวกกิเลสเหล่านี้เกิดอย่างนี้แล้วนะพวกนี้เป็นทั้งถ้ามันละเมื่อกายวาจาเรียกว่าติวีติกมะแต่ในขณะใดที่มันเกิดปริยุท ธ, ธานกับอนุสัยเกิดด้วยกันอันนี้มีหลักฐานด้วย ป, ปริยุท ธ, ธ์ขณะนั้นต้องเป็นอนุสัย อวีติกมะเนี่ยนะอันนี้โอ้โหอันนี้หยาบมากอันนี้มันเลยไม่ต้องพูดถึงอ่ะถ้าถ้ามองอย่างนี้นะว่าขณะไหนที่ปริยุทธานเกิดขณะนั้นอนุสัยเกิดเช่นในในอวิชานะอวิชาปริยุทธานอาวิชานุสัยจะแสดงคู่กัน น, นะอวิชาปริยุทธานกับวิชานุสัยแสดงคู่กันอย่างหนึ่งตันหาปริยุทธานกับ ตันหาอนุสัยก็แสดงคู่กันนะนะตันหาปริยุทธานกับตันหาอนุใสเนี่ยแสดงคู่กันเลยนะ mm hmm. เหมือนกับคําว่าโอคะโยคะอะไรเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นอาสวะโอคะโยคะคันทะนิวรณะอนุสัยสังโยติกิเลสคืออกุศลเหมือนกันต่างกันที่ที่วัย์ที่จะแสดงเท่านั้นเองเพราะในหลายๆสูตรท่านไม่ได้บอกว่าต้องละอนุสัยกิเลสใช่ไหมท่านละใช้คําว่าข้ามโอคะแล้วก็บรรลุแล้วใช่ไหม ตรงนั้นไม่เห็นใช้คําว่าอนุสัยเล ย, ยนะบางแห่งใช้คําว่าตัดอาสวะขาดแลว้วอาสวะสิ้นแลว้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้อยคําเหล่านั้นใช้แทนกันเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขณะใดที่ปริยุทธานเกิดขณะนั้นก็เป็นอนุสัยด้วยอันนี้อัตกถาหลายๆแห่งเนี่ยแสดงอยู่แบบนี้เลยเนี่ยนะ ก็ถ้าถ้าแสดงแบบแบบนี้นะก็ไม่ค่อยติดใจอะไรกุศลเกิดเนี่ยมันอยู่ในประเภทภูมิใช่ไหมกุศลเนี่ยเป็นภูมิใช่ไหมกุศลเนี่ยเป็นอารมณ์เมื่อกุศลเป็นภูมิเนี่ยากิเลนจะเกิดโดยอาศัยสิ่งนี้ได้ไหมได้เพราะเขายังไม่เจริญมากงอะนะเหมือนกับมันนอนอยู่แต่จริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยหรอก เ น, นะแล้วก็อารมณนะ่ะะโดยอารมณ์อะ่ะก็บางคนเกิดอกุศลบางคนไม่เกิดอย่างเนะงี้ยนะก็ไปคิดไปไข้โครนเอาแต่ว่าพยายามอย่ายืนอยู่ในจุดเดิมข้อมูลเก่าท่านนั่นเองแล้วค่อยคิดตามะนะฮะว่าท่านท่า น, านในคำพีท่านอธิบายยังไงแล้ว ค, ค่อยคิดตามท่านอย่าเอาของเก่าไปปนกันละกัน ก็ปฏิคานุสัยเอาเนี้ยพรหมเนี่ยเกิดโลโทษาไหมปฏิคานุสัยจะมีไหมไม่มีตราบใดที่ยังอยู่ในพรหมโลกพบนั้นไม่มีโดยโดยภูมิการมาราคานุสัยจะไม่มีในรูปภูมิเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าว่าไปถามว่าเอาแล้วมันจะเกิดไหมตรงนั้นมันไม่เกิดแน่นอนยังไงก็ไม่เกิดไม่มีใครไปยั่วให้พรหมโกรธได้ ก็โดยภูมิเอาก็คำนวณํานวณทั่วๆไปว่าเราไปอยู่ในที่มันร้อนเราอุเนี่ยนะแล้วไปบอกให้มันเย็นให้มันเย็นมันเย็นได้ไหมมันก็ไม่เย็นอยู่แล้วเพราะสถานที่ตรงนั้นมันร้อนนะ่ะนะเว้นไว้แต่หาองค์ประกอบหรือจากที่ตรงนั้นซ ะ, นนะแปลว่าโดยทั่วๆไปแปลว่ากลุ่มรุมแปลว่ากลุ่มรุมอนุสัยแปลว่ามีกำลัง แล้่คิดว่าคำว่าอนุสัเนี่ยนะอนุแปลว่าโดยสับแปลว่าตามสยะแปลว่านอนแต่เชื่อว่าเป็นสำนวนของบาลีมากกว่าที่ที่คนสมัยนั้นเข้าฟังและเข้าใจเลยเพราะว่าโดยสับนะเร า, เามีภาษาไทยหลายคำแต่ตอนนี้ลืมลนะที่แปลตามสับเลยไม่ได้ น, นะถ้าจะไปแปลออกไปเป็นภาษาต่างประเทศนะแปลตามสับไม่ได้จริงๆ ของมาเคยคิดจะแปลเช่นบางคําถ้าจะพูดให้คนเขมรฟังเนี่ยจะต้องแปลใช้ศัพท์อะไรแปลตามศัพท์ไม่ได้คนละเรื่องเลยะนะผิดผิดอย่างต้องเอาพยายามเอาที่ความหมายของท่านเพราะฉอนุสัยเนี่ยท่านให้ความจํากัดความว่าเพราะอัตถาว่านอนเนื่องหมายถึงเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลังท่านบอกเลยว่าเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลังและท่านบอกว่าถ้าอนุสัยจะเกิดเกิดที่ไหนบอกด้วยนะ เช่นการมาราคานุสัยนอนในปียรูปสาตรูปงนันนะในกามคุณหา้าปฏิคานุสัยนอนในอปิยรูปอาสาตรูปเนี่ยนะแล้วก็มานานุสัยนอนในในปียรูปสาตรูปเหมือนกันเนี่นยนะหรือแล้วบอกแยกเวทนาแยกอะไรให้เสร็จไม่ใช่ว่าคืออยู่ๆแล้วก็ยกมาไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่เลยอย น, น, อนุอาสว่ากับอนุสัยเนี่ยถามว่าต่างกันยังไงต่างกันโดยชื่อ เพราะว่าโอฆะโยคะคันฐานิวรณาอนุใสสังโยชน์กิเลตอะ่ะคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าวิธีแสดงที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่แต่ก็ไม่เป็นไรว่าก็มีหลายท่านยินดีจะอนุรักษ์ของเก่าว่ามันต้องมีมันต้องมีมงม ก, ก็ก็มีต่อไปก็แล้วกันก็ยังนิยมคือของเราไปติดใจจาก3คําในวิสุทธิมรึกเนี่ยนะว่าศีลละอนุสัยกิเลต สมรสมาธิละเอ่อศระวิติกรรมะนะถ้าถ้าคิดตามนี้นะถ้าคิดดีๆนะ่กกับอย่างที่กล่าวจะไม่ขัดกันเลยแต่ขัดคือวิธีตั้งเรื่องอะทำให้ขัดกันถ้าพูดถึงข้อความใน สีละนิเทศนะสีเลปฏิถายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะอาตาปีนิปโกภิคุโสอิมังวิชัตะเยชะตังน น, น, าานะในในคาถานั้นน่ะก็พูดถึงว่าในคาถานี้ในคาถานี้สรุปว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมถ้าจะสางกิเลสได้ต้องสางด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาสางในขณะไหนขณะอริยมรกคกลังสางอยู่อริยผลชื่อว่าสาง เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าศีลสมาธิที่สางกิเลสต้องเป็นศีลระดับไหนศีลเนี่ยหมายถึงศีลที่ไหนก็ต้องในมัชที่สางกิเลนะสนเนี่ยนะทีนี้ตัวศีลเนี่ยองมัชในมัชคือสัามมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะ สมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่นะแล้วท่านก็นบอกว่าด้วยอนุภาพของในคาถานี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะท่านนี้ต้องล็อกแล้วใช่ไหมว่าหมายถึงในขณะ ในขณะมคในขณะอริยมัคแล้วท่านก็บอกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยมันละกิเลสอะไรได้บ้างท่าแยกโดยกิเลสนะท่านท่านพูดมัคขึ้นมาก่อนนะแล้วบอกว่าด้วยอนุภาพของศีลเนี่ยละวีติกมะอนุภาพของสมาธิละปริยุทธานอนุภาพของปัญญาละอนุัย นะถ้าเอามากักมาตั้งปับ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีแต่ทีนี้มันจะมีสำนวนสมัยใหม่อันนี้ไม่ใช่รุ่นรุ่นคัมภีร์อัตถกถาดีกานะเป็นรุ่นไม่กี่ร้อยกว่ปีมาเนี้ยท่านบอกว่ากิเลสมี3มระดับคือวีติกรรมะปริยุทธานและอนุสัยคือยกโดดโดดมาแบบนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมามาตั้งโจทย์แบบนั้นนะพอโจทย์แบบนั้นเราก็เลยพยายามขี่ตามว่า เออถ้าแค่นี้นะมันเรียกว่าปริยุทธานแค่นี้เรียกว่าอนุสัยเ อ, อ่ออนุสายแค่นี้เรียกว่าวีติกมะอะไรเนี่ยเราก็มาจัดลําดับกันเองก็เลยเริ่มอุปมาแล้วทีนี้พอจัดลําดับเสร็จก็หาข้ออุปมามาว่าเออวีติกมะมันเหมือนกับถ้าเป็นถ้าเป็นน้ํานะแล้วก็ทฤษฎีเนี้ยน้ำในแก้วขึ้นมาว่าในขณะที่มันกระชอกออกมาอย่างนี้เรียกว่าวีติกมะนะ ถ้ามันไม่กระฉอกหรอกมันขุนมันค้นคอยู่ในนั้นแหละอันนี้เป็นปริยุทธานถ้ามันตกตะกอนข้างบนใสข้างล่างขุนอันนี้เรียกว่าอนุใสเออก็หาข้ออุปมามาจนได้ไหม่กันแต่ก็ยืนอยู่บนข้ออุปมาณี้แหละแล้วก็ขี้ตามนี้ไปเรื่อยๆๆๆจริงๆ อ, ะนะ อ, อ่ะนะคือเหตุผลเนี่ยท่านแสดงแบบนี้มีอยู่แต่ท่านพูดอนุภาพของมรขึ้นมาก่อนว่าศีในมรเนี่ยกจัด ฟีติกามะสมาธิกําจัดปริยุท ธ, ธานตัญญากำจัดอนุสัยแต่ท่านไม่ได้มาแยกว่า ก, กิเลสมันแบ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านไม่ได้แยกแบบนี้ น, นะท่านท่านไม่ได้แยกแบบนี้เลยอันทฤษฎีอันนี้เรามาแยกกันเองเพราะเห็นภาพแบบนี้เราก็เลยมาแยกสาสามระดับแต่ศีลที่ละกิเลสจริงๆเนี่ยศีลในระดับไหนศีลในมัชนะเนี่ยนะ แต่แล้วท่านก็ไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างเดียวใช่ไหมท่านก็บอกว่าเป็นอุปนิสัยของวิชาสามด้วยนะะยกโดยวิชาสามขึ้นมาว่าศีลทําไม่ได้อ่านะโดยวิชาสามเป็นต้นะนะศีลทําไม่ได้วิชาสามสมาธิทําให้ได้พิญญาหกปัญญาทําไม่ได้ปฏิสามพิทาสีะนะแล้วก็ยังแยกไปอีกบอกว่าโดยภูมิ ศีลละอบายภูมิเสมาธิละกามสุขติภูมิเปัญญาละพบทั้งปวงก็ก็เริ่มแยกมานะคือคือจัดความสัมพันธ์ให้ดูเท่านั้นเองพอจัดความสัมพันธ์เราก็เนียมาตั้งอันนี้แล้วก็มาเริ่มว่าแล้วคนนี้ว่าเองซะส่วนใหญ่นะเรื่องที่ขัดขัดในคำสอนนะเนื่องจากว่าเองเ มันก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่า เ, เคยกล่าวบ่อยๆว่าให้สมาทานใหม่ว่าถ้าไม่มาจากคําสอนจะต้องไม่คิดต่อไปเพราะถ้าคิดต่อไปแล้วปัญหามันไม่ค่อยจบนั่นนะตั้งทฤษฎีว่าเสาเนี่ยมันเป็นสัตว์นะอย่างงี้นะมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่นะมันสูงเท่าไหร่กันเนี่ยนยะยิ่งคิดแต่ยิ่งเทียงไปกันใหญ่เลยมันโจทย์บางอย่างไม่ควรตอบก็ยังก็ยังเบลอๆอยู่ในเรื่องภาษา มันยังไงกันแน่คืออนุสัยก็ไม่ได้ขนาดไหนที่นีปริยุทธ์ฐานเกิดขณะนั้นอนุสัยเกิดด้วยก็แค่นั้นเองคือไม่ต้องไปคิดว่าให้มันซับซ้อนว่ามันแช่อ ย, อยู่ตรงนั้นมันนอนอยู่ตรงนี้อะไรไม่ต้องไปไปคิดให้มันซับซ้อนอะไรแต่ถ้าพูดถึงว่าย้อนอีกครั้งหนึ่งถ้ามรรคเกิดขึ้นละกิเลสชนิดไหนท่านบอกเลยว่าละกิเลสแบบนี้เห็นไหมท่านทวนนะจะได้เข้าใจด้อ ถ้ามรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะละกิเลส ช, ชนิดไหนละกิเลส ช, ชนิดที่จะได้ภูมิเนี่ยนะที่โปรแกรให้คําความหมายว่าถ้าได้สิ่งแวดล้อมและกิเลสเกิดนะนะลักษณะนั้นอนะ่ะอย่างที่สองอย่างที่สองกิเลสถ้ามันจะเกิดมันจะต้องได้อารมณ์ก่อนใช่ไหมทีนี้ถ้ามรรคเกิดถึงได้อารมณ์กิเลส ก, ก็ก็ไม่เกิดเนี่ยนะอย่างที่สมคนที่ไม่ได้เจริญสมถะหรือวิปัสนาเนี่ยนะพอไดปัจจัยกิเลสเกิดใช่ไหม กิเลสเกิดคนทียนยนนะ่ยังไม่ได้ถอนได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะยังไม่ได้ถอนได้โดยเด็ดขาดเนี่ยถ้าได้ปัจจัยกิเลสยังเกิดอีกไหมก็เกิดเพราะฉะนั้นมรรคละกิเลสสี่ชนิดนี้ น, นะละอกุศลชนิดที่จะเกิดแบบนี้ที่ที่มันได้เชื่อแบบนี้มรรคกิเลสแบบนี้กิเลสแบบนี้เวลามันเกิดเรียกว่าอะไรก็เรียกว่า วีติกมะอนุสัยปริยุทธานอีกอยู่ดีเนี่ยนะก็ละทั้งสามนั่นเลยก็ละทั้งสานั่นนะเคยหมายคําว่าถ้าจะได้ปัจจัยนะใช้ใช้คําว่ามรละกิเลสชนิดที่ว่าถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยถ้ามรไม่เกิดพอได้ปัจจัยและกิเลสเกิดทีนี้คนที่เจริญมรแล้วนี้มรเกิดแล้วอะ่ะถึงได้ปัจจัยบางอย่าง กิเลสก็ไม่เกิดเพราะท่านตัดอุปนิสัยที่จะให้กิเลสเกิดออกไปแล้วพูดถึงปกติทั่วๆไปพอได้อิทธารมเนี่ยนะพอรับอิทธารมปกติแล้วคนนั้นจะมีโลภะถ้าได้อนิถารมปกติก็จะเกิดโทสะ พอได้มัชฌัตตารมทั่วไปโดยมากก็เกิดโมหะทีนี้ผู้ที่อบรมจนได้อายมรรคเกิดนะพวกนี้ถึงอารมณ์แบบนี้เกิ ด, ก, ดกิเลส ก, ก็ไม่เกิดเนี่ยนะทีนี้บุคคลทั่วๆไปพอสุขเวทนาเกิดก็จะเกิดโลภะถ้าทุกขเวทนาเกิดโดยมากก็เกิดโทสะ ถ้าอุเบกขาเวทนาเกิดโดยมากก็เกิดโมหะถามว่าพระอรหันยังมีเวทนาสามเหล่านี้ไหมไม่ไ ม, ม, มนนีทุกข์ทางใจไม่มีมีแต่ทางกายแต่ว่ากิเลสเหล่านี้ท่านไม่เกิดเลยเพราะอะไรเพราะท่านทําปริญญาในเวทนาเรียบร้อยแล้วหรือถ้าอีกคํานึงกำหนดอารมณ์เหล่านี้ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วทําปริญญาเสร็จแล้วก็ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอนุภาพของอทุกทุกคสมุทัยทุกคณิโรธทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยการแทงตลอดคุณอันนั้นเนี่ยมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยกิเลสที่พอได้ปัจจัยแล้วควรจะเกิดมันไม่เกิดนะเพราะการแทงตลอดอันนั้นเนี่ยก็บอกว่าด้วยอนุภาพของยานะอาริยมรุปมาเหมือนยานะก็บอกว่าด้วยยาแก้วเนี่ยกินไปแก้วเดียวนะปกติต้องสีแก้วอะแก้วเดียวเนี่ย เพราะไข่ควรจะเกิดมันไม่เกิดอ่ะนะแค่แก้วเดียวนะถ้าสีแก้วจะขนาดไหนหายโดยสิ้นเชิงอ่ะนะอันนี้พูดถึงด้วยอนุภาพของของยาใช่ไหมนี้ก็เหมือนการกิเลสที่ไม่เกิดก็ด้วยอนุภาพของอริยมรรคเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยมีคุณยิ่งใหญ่อย่างนี้ควรเหลือเกินที่จะบำเพ็ญเพื่อจะแทงตลอดควรรีบควรพยายามนะนะทั้งในโสตาปฏิสังยุตสัตจะสังยุตท่านยกย่องให้ให้เจริญให้มาก แม้กระทั่งถ้าจะพูดถ้าจะคิดถ้าจะตรึกหรืออะไรก็ให้ตรึกเรื่องนี้เข้าไว้เหมนกันเพราะการแทงตลอดเราเนี่ยมีคุณเมียในสงฆ์จริงๆงนนะถ้าหาว่าศีล น, นะถ้ า, าว่ายังไม่ได้อยู่ในมาสนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราถือว่าละวิกวิกะกิเลสก็โดยทั่วๆไปเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมขณะที่กุศลเกิดเนี่ยนะ<ม>กิเลสเกิดไหม ไม่เกิดทั้งก็ไม่เกิดทั้งสามแต่ถ้าศีลมีมัตต์เป็นอารมณ์เอขอโทษศีลที่ในมศีลที่ในอริยมัตมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอย่างนั้นหมดก็แต่ถ้าท่านมาแยกแบบนี้นะอันนี้แยกโดยนิยยะเพื่อเพื่อเป็นแนวให้ผู้ที่จะแสดงต่อไปเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวที่ละกิเลจริงๆคือตัวไหน ว่าตรงๆนะั่นคือตัวปัญญาที่ละมีอยู่ตัวเดียวพอดชงที่ละกิเลสมีอยู่โพอดชงเดียวคือธรรมวิจยาสามโพอดชงเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าอันนี้เป็นเทศนาวิราชแต่ทีนี้ของเรามากระว่าไอ้ตรงไหนที่ควรติดก็ไม่ค่อยติดไอ้ตรงไหนไม่ควรติดแล้วก็ติดกันเหลือเกินเนี่ยนะ คล้ายๆกับมีบางท่านอ่ะเราก็ยกอุปมาเพื่อจะเข้าใจอุปมายะนะก็เลยไปเรื่องคิดยาวอที่อุปมานนไปยาวเลยกันนี้ก็เลยไม่ได้รู้กันในเรื่องที่จะให้รู้สักทีหนึ่งเหมือนกันา น, นในธรรมนุปสนาะโดยเฉพาะในนิวร น, นีนะไม่เห็นนะพูดถึงเรื่องปร์ปร์อะไรเลยคือว่าแต่ร่ปริญญาทำปริญญาในเรื่อง เรื่องการจะเกิดหรือไม่เกิดหรือมันเกิดแล้วมันจะละยังไงหรือมันเนี่ยครับคือถ้าถ้าเรากล่าวถึงคำว่าปรามัดเนี่ยนะเราต้องแยกคัมภีร์ด้วยเหมือนกัน no ว yes ่าประมัดตามคัมภีร์ไหนเนี่ยนะเอางี้ดีกว่านะว่าใช้ประมัดตามคัมภีร์ไหนเอานะเอางี้พานไม่ใช่ประมัดเหรอใช่ไม่ม่อะอาม่เอาใหม่จะเล่าให้มัง ปรยัติเนี่ยมีหลายคำว่าประมาทมีหลายในในอภิธรรมมัทสังหะแล้วก็ในอัธกถาดีกาทั่วไปแล้วก็ในไตรปิฎกเนะต้องแยกเป็นสามในแบบนี้ ถ้าที่ไหนอ่านพบข้อความที่เรียกว่ารบรมบรมัตเนี่ยนะปรามัตสัจจะเป็นอย่างยิ่งอันนั้นให้รู้ว่านิพานใ น, ในพุทธพจน์เลยนะเ<น>ช่นในกีตาคีริสูตรเนี่ยนะทำปรมัตสัจจะให้แจ้งโดยนามากายนะให้รู้ว่าปรมัตนั้นหมายถึงนิพานอย่างเดียวโดยเฉพาะในะในที่สเจริญพาน นี้อ่านะเดี๋ยวค่อยๆแยกอีกครั้งก่อนนะอ่านะพระสูตรทั่วๆไปนี้คำในพระไตปิดกโดยเฉพาะพระสูตรทั่ ว, วไปคําว่าประมาทหมายถึงนิพพานถ้าเป็นอัตถกถาดีกาทั่วไปคําว่าประมาทท่านจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ถ้าโดยทุกขสัตริย์ท่านจะบอกว่าขันอายตนะธาตุเป็นต้น ถ้าโดยแล้วก็ท่านก็แยกโดยมรรคสัสตร์ให้เห็นอีกหน่อยคือสติปัฏฐานเป็นต้นเนะเพราะฉะนั้นถ้าตามในนี่นะคำว่าเป็นต้นของท่านก็แยก่ะนะสมุทัยศาสตร์คือนิวรนเป็นต้นใช่ไหมเพราะถ้าใช้คำเหล่านี้นะนี่คือประมัติตามอัตกถาดีกาเห็นไหมถ้าตามอภิธรรมมัตสังกะหะ เพื่อเป็นพื้นฐานจะได้ค้นเน้นพิเศษคือจะค้นอภิธรรมปิดกต่อไปท่านก็มามาแยกว่าไอ้สภาวะในนั้นนั้น่นนะมันคืออะไรเพื่อทีอ่เดี๋ยวขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าวิธีแสดงธรรมในอภิธรรมมัทสังกะหะกับในในอภิธรรมปิดกไม่เหมือนกัน อ, อภิธรรมปิดกเนี่ยเวลายก เช่นมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะจะขึ้นต้นด้วยว่ากามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติเนี่ยนะโสมณัสสะสะกะตังยานสัมปยุตตังเนี่ยนะอุโสมณัสสะสะกตังยานสัมปยุตตังรูปารมณังวาสัทธารมณังวาเป็นต้นเนี่ยจนถึงว่าภาษาปัญจกะนะภาษาปัญจกะคือภาษาเวทนาสัญญาจิตนาจิตแล้วก็โดย วิจานี่นะวิตกวิจารวิตกวิจารโสมนัสเวทนาอนะโดยอินรียมีอินรียอะไรเกิดบ้างโดยพละนี่นะนะเป็นต้นนะนะทีนี้ในในในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยบางอย่างมันซ้ําๆกันอยู่นั่นแหละเช่นปัญญาอย่างเดียวเป็นทั้งอินทรีย์เป็นทั้งพระเป็นทั้งมักเนี่ยนะนะมีมักด้วยอ่านะโดยมัก มีทั้งมักอยู่ด้วยทีนี้ไอ้ไอผู้ศึกษาเนี่ยนะถ้าจะมาเรียนแบบนี้เลยตามพุทธพจน์เลยอะ่ะท่านบอกว่ามันเข้าใจยากเนี่ยนะ ท, ที่จะมาเห็นแบบนี้นะจะต้องไปท่องทั้งหมดเนี่ยค่ะค่ะมันกว้างขวางเหลือเกินท่านก็บอกว่าจัดไอ้ส่วนไหนที่ที่มันเหมือนเหมือนกันเน่ยเรียกเป็นอย่างเดียวซะไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐินะปัญญินรีปัญญาพละมันก็คือปัญญาอยู่ดีนะปัญญาอันนี้เรียกว่า ปัญญาเจตสิกอย่างงี้ย น, นะแล้วก็มาจัดจั ด, จ ด, จดอย่างเี้เรื่อยๆแล้วก็มาแยกว่าถ้าแยกย่อยหมดแล้วในตามพุทธพจน์เหล่านี้ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด52าชนิดนะนะที่ที่มาประกอบเนี่ยเลยก็เลยเรียกอย่างนี้ว่าเจตสิกนะอันนี้เรียกว่าเจตสิกปรมาทนะคือจะใช้ศัพท์อะไรขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็คือปัญญาเจตสิกอันเดียวกันนั่นแหละอ่านะ แล้วก็มามาเรียบเรียงให้เหลือเป็นคำพีเล็กๆเรียกว่าอภิธรรมนิ้วก้อ ย, อยนั่นนะเพื่อเมื่อเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วจะได้ไปเรียนอภิธรรมปิดกและจะได้ทราบซึ้งขึ้นเนไนะทีนี้พอพื้นฐานของคนไทยโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเรียนก็เลยเรียนเนื้อจีเจอรุนิตั้งสูตรขึ้นมาแล้วก็อธิบายเป็นเก้าปฏิเชตขึ้นมา ทีนี้ก็เอาไอ้ความรู้จิเจรู้นี่ที่เรียกว่าประมาสอันนี้แหละเรียกว่าประมาสละแล้วในคัมภีร์ท่านก็แยกว่าเป็นเนื้อความที่สูงสุดของสิ่งนั้นนั้น่ะนะมันมีอยู่เท่านี้พออย่างนี้พอเรียนอันนี้มานะก็เอาแค่นี้ไปวิจัยทุกคัมภีร์เลยไปอธิบายทุกคัมภีร์ทีนี้มันเริ่มสับสนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาเรียนในพระไตรปิฎกเอ๊ะเมื่อไหร่จะพูดจิเจรูน้นี้ลงสักทีหนึ่งก็จะแยกยก่อยให้มันเหลือเป็นจิตเจตสิกรูปให้ได้อะนะ เพราะฉะนั้นเขาเรียนเรื่องขันอยู่แล้วก็ไม่ย่อให้มันเหลือจิตเจตสิกรูปให้ได้อีกนั่นแหละแล้วก็ก็มันเรียนมาเท่านี้จริงๆก็พื้นฐานเรามันแคบเกินไปเนี่ยนะพอพอแคบแบบนี้ก็เอาไอ้ความรู้อันนี้มาวิเคราะห์เหล่านี้ทั้งหมดจริงๆตอเวลาท่านแสดงอายตนะเราก็เลยเอ๊ะทำไมไม่เห็นพูดประมัดสักทีหนึ่งก็เลยเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้แหละก็โทษของวัตตะ